มีหมอคนหนึ่งนะเป็นคนหนุ่มไฟแรงจบแพทย์ที่เชียงใหม่ก็เรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางทันทีเลยเรียนด้านเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งก็เป็นการเรียนที่หนักนะแต่ก็มีความสุขที่ได้เรียนรู้เพราะว่ารักความเปิดหมอมินำซ้ำอย่างเรียนปริญญาโทของคณะวิศวะอีกนะ เรียนเรื่องวิทาการความรู้วิทยาการข้อมูลเพราะตั้งใจจะทำการศึกษาวิจัย เ, เกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรคหรือว่าระบาดวิทยาได้ปริญญาโทจบแล้วก็สมัครเป็นอาจารย์แพทย์ก็ได้เป็นอาจารย์แพทย์สมใจชีวิตก็ทำท่าว่าจะรุ่งโรจน ในด้านของอาชีพการงานชี่ส่วนตัวก็กำลังจะไปได้ไกลนะเพราะว่ากำลังจะแต่งงานแล้วก็กำลังจะมีบ้านใหม่แต่แล้วเนี่ยก็วันหนึ่งก็พ่อตัวเองนี่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายหมอบอกว่ามีเวลาอยู่ได้ประมาณ6เดือนตัวเองเพิ่งอายุย8เองนะอนาคตที่รุ่งโร่นี่ก็เหมือนจะดับปู้ไปเลย มอคนนี้ชื่อหม อ, อ, อกฤษาไทยนะซึ่งหลายค น, นคงจะรู้จักจากการติดตามเพจหม อ, อ, อกฤิตาไทยเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่ที่แรกก็ทำใจยากนะเพราะว่าอายุยังไม่มากแค่28งานการก็ดีช่วตส่วนตัวก็ดีก็กำลังจะไปไกลจะบอกว่านคนเราเนี่ยมันก็แปลกนะ ไม่ทันได้แก่เลยก็ใกล้จะตายแล้วคนส่วนใหญ่นะมีโอกาสได้แก่ก่อนที่จะตายแต่ตัวแกนี่ไม่มีโอกาสได้แก่แต่ก็ไม่ได้ท้อนะยอมรับความจริงของชีวิตแม้ว่าจะเจ็บปวดก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะคนหนุ่มสาววัยเดียวกับตน ก็เลยทำเพจใน a ฟ e b o o k นะชื่อว่าสนะู้ดีวะเมื่อปีที่แล้วอ น, นุมาเคยเอาเรื่องของหมอกตฏไทยนี่มาพูดเนะมื่อปีที่แล้วตอนที่เปิดเพจนี้ใหม่ๆนะสู้ดีวะในแง่นึงก็เป็นแห่งการให้กำลังใจคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะว่าเดี๋ยวเพิ่งหมดหวังกับชีวิตนะแต่ใดที่ยังมีลมหายใจก็ต้องมีความหวัง อย่าปล่อยใจะให้จมอยู่ความโผฏูท้อแท้แเดียวกันก็อยากจะให้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นอนุสติเป็นบทเรียนชีวิตนะกับคนหนุ่มสาวเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเพราะว่าชีวิตนี้มันเปราะบางนะคนหนุ่มสาวจะไม่ตันหนักนะ ว่าชีวิตมันเปราะบางแต่ถ้าวันใดเจ็บป่วยได้ลกลายในถึงจะรู้นะว่าชีวิตนี่มันเปราะบางมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสามารถจะใช้ชีวิตไปนในทางที่ถูกต้องได้หรือมีคุณค่าเนี่ยแม้ชีวิตจะสั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมา อันเพนี้นี่ก็มีคนติดตามเยอะนะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจหลังหมอกิตติไทยก็พิมพ์หนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อเดียวกับชื่อเพจนะชื่อสู้ดิวะแต่ว่าออกมาได้แค่เดือนสองเดือนนะก็ปรากฏว่าวันนี้หมอกิตติไทยนี่ก็มีข่าวว่าเสียชีวิตละก็เรียกว่า มีเวลาประมาณหนึ่งปีในการที่จะใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มีคุณค่ามีประโยชน์นะต่อผู้อื่นแล้วก็ไม่ลืมที่จะใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวเองด้วยพระกิตติไทยเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นแบบอย่างนะที่ดีนะของคนที่ แม้ว่าจะเจอโรครายแต่ว่าก็ยอมรับความจริงของชีวิตได้ไม่มัวแต่อดถูท่อแท้โวยวายตีโพยตีภายทำไมต้องเป็นชั้นก็อาจจะมีบางช่วงเนี่ยที่มีความรู้สึกแบบนี้ซึ่งเป็นธรรมดาของปุถุชนนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะจมอยู่ความอดถู คนเราพอยอมรับความจริงแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้เดินหน้าต่อไปได้หมายความว่าเนี่ยในแง่นึ้งก็ดูแลรักษาร่างกายของตัวมีช่องทางอะไรที่จะเยียยารักษาหรือว่าช่วยทำให้คุณภาพชีวิตมันไม่แย่ลงในช่วงที่ยังมีลมหายใจก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำแต่เฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพกายนะ ตอนหลังหมอกรีฑาไทยก็เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพใจด้วยเพราะว่าสำคัญมากคนเราเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ป่วยแต่ ก, กายอย่างเดียวป่วยใจป่วยใจเพราะวาความกลัวเพราะวาความหมดหูซึ่งมันก็เป็นการซ้ำเติมให้ทุกข์มากขึ้นป่วยกายนี่อาจจะรักษาไม่ได้เพราะว่า วิทยาการเทคโนโลยีมีจำกัดแล้วก็โลกก็ลามมาเยอะแล้วดางนั้นก็ดูแลใจไม่ให้ทุกทรมานอันนี้คือสิ่งที่หมอกิจไทย ก, ก็พยายามทำนะแล้วก็เอามาเผยแพร่มาบอกเล่าให้เป็นข้อคิดนะสำหรับคนหนุ่มสาวและวที่สำคัญคือว่าก็ยังนะมีความหวังนะ มีความหวังกับการใช้ชีวิตแต่ละวันหรือแ ม, แม้แต่ละชั่วโมงนี้ให้มีคุณค่าแม้เจ็บป่วยก็ยังมีเวลาออกกำลังกายดูแลใจใสสุขภาพนะแล้วก็อะไรที่ทำประโยชน์ได้กับผู้อื่นได้ก็ทำหนังสือหรือว่าข้อคิดของหมอกิตติไทย ที่ถ่ายทอดออกมาให้กับคนทั่วไปเนี่ยหลักๆ ก, ก็มีอยู่สามเรื่องนะซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าแม้กระทั่งกับคนที่ไม่ได้ป่วยหรือแม้จะไม่ใช่เป็นคนหนุ่มคนสาวซึ่งหลายข้อนี้ก็ตรงกับหลักธรรมของพุทธศาสนานนะเช่นข้อแรกคือว่าให้รู้จักอยู่กับปัจจุบัน ให้ใช้วันนี้นะเหมือนกับเป็นวันสุดท้ายนะคนเราเนี่ยถ้าหากตระหนักว่าเราอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้เนี่ยหรือตระหนักว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเราเราจะใช้เวลาอย่างมีคุณค่ามากขึ้นอะไรที่ดีอะไรที่ควรทำก็รีบทาอะไรที่สำคัญต่อตนเองต่อญาติมิตร ต่อคนรักก็จะรีบทำไม่ผัดผ่อนความทุกของคนจะไม่น้อยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คิดว่ามีเวลาและไม่ใช่แค่มีเวลาสองสมวันอาจจะมีเวลาเป็นปีๆก็เลยเอาแต่ผัดผ่อนได้แต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท้ายเนี่ยในสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำเพราะว่าความเจ็บความป่วย หรือความตายนี่มันมันมาประชิดตัวซะก่อนคนเราถ้าหากคิดว่าหรือตระหนักว่าวบนรนลุผลสุดท้ายของเราเนี่ยในแงนน่นึงเราก็จะทำดีกับคนรอบข้างคนที่อยู่รอบตัวเรานะเราจะไม่เอาแต่ใจตัวเราจะคำนึงถึงนะความรู้สึกของ คนรอบข้างมากขึ้นยิ่งถ้านึกว่าไม่ใช่แค่วันที่พาสุดท้ายของเราอาจจะเป็นมาสุดท้ายของคนที่เรารักด้วยเนี่ยเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างดีไม่หุนหันพลันแล่นนแล้วพอเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีความสุขก็คือเรานะีไม่ใช่แค่คนที่เราทำดีด้วยเท่านั้นเราก็ไม่รู้สึกผิดอะไรเราก็รู้สึกว่าโอ้เราได้ได้ทำดีกับคนที่เรารัก ไม่มีอะไรที่จะติดติดค้างใจหรือว่าขุนข้องมองใจใ้การที่เราใช้ชีวิตวันนี้มันก็นมาสุดท้ายเนี่ยไม่ทำให้เราเนี่ยไม่คิดรอความสุขจากวันพรุ่งนี้นะคนหลายคนเนี่ยรอความสุขหรือคาดหวังความสุขที่อยู่ข้างหน้าหรือพรุ่งนี้หรือเมื่อลือนนี้ และระหว่างที่ส่วนวันนี้ก็อยู่แบบกั้มกลืนฝุ่นทนอยู่บางทีก็มีความทุกข์นะเพราะว่ารอคาดหวังความสุขวันพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าวันที่เราจะเป็นวั น, นวันนี้จะเป็นวั น, นสุดท้ายของเราเราจะไม่รีบสวยเราจะไม่รีบรอคาดหวังความสุขวันพรุ่งนี้แต่เราจะ รู้จักควนควายหาความสุขในวันนี้เลยและความสุขในวันนี้นี่มันไม่จําเป็นต้องกินดื่มเที่ยวเล่นหรือชอบก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรารู้จักมองหรือถนัดว่าวันของเราเนี่ยมันมีเวลาเหลือไม่มากเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นแหล่งที่มาขอางความสุขได้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองเนียที่คุณหมอแกแกได้ยํำมาไว้นะคือว่าให้รู้จักขอบคุณนะความปกติธรรมดาของชีวิตหลายคนเนี่ยไม่ได้ตระหนักเลยนะว่าการที่ชีวิตราเนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นโชคมันเป็นสิ่งวิเศษนะอันนี้แกพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะเพราะว่าเมื่อเป็นคนป่วยเนี่ย ด้วยการหายใจมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆไอ้การที่แต่ละวันแต่ละวันหายใจโดยที่ไม่เหนื่อยหอบเนี่ยมันก็ถือวา่าเป็นความสุขแล้วละ่ะวันไหนที่ไม่เจ็บไม่ปวดมันก็เป็นความสุขแล้วละ่ะถาคนไม่ได้ตระหนักนะว่าวันปกติธรรมดาคือวันที่เราไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่มีความเจ็บความปวดที่หลังไม่ต้องนอนติดเตียงเนี่ยอันนี้คือความสุขแล้วล่ะวลวเราไม่จำเป็นต้องรอให้เจ็บให้ป่วยหรือต้องปวดซะก่อนนะถึงจะมาเห็นคุณค่าของการไม่เจ็บไม่ปวดหรือว่าเห็นคุณค่าของความปกติธรรมดาั น, นถ้าเรารู้จักใคร่ควรหน่อยก็จะรู้ว่าเนี่ยการที่ช่วยราเนี่ยมันไม่มันปกติธรรมดาเนี่ย นะไม่ต้องมีความสนุกสนานไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องไปกินดื่มเที่ยวเล่นอะไรนะแค่ปกติธรรมดานี่มันก็เป็นความสุขแล้วนะคุณหมอแกบอกนี่ให้รู้จักขอบคุณชีวิตที่ปกติธรรมดาเสียบ้างนะถ้าคนเรานี่จะไม่รู้สึกชื่นชมหรือขอบคุณความสุขจากชีวิตที่ปกติธรรมดานะถ้าเราคิดว่า เรายังมีพรุ่งนี้เรายังมีมรืนนี้เราังมีอีกหลายปีอีกสิบยี่สาปีรออยู่ข้างหน้านเราจะไม่ไม่เห็นคุณค่าของความปกติธรรมดาเลยหรือถ้าเราไม่ได้นึกถึงว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บต้องป่วยหรือต้องมีทุกขเวทนานี้เราจะไม่รู้สึกนะว่าให้การที่เรามีชีวิตปกติธรรมดานี่มันเป็นโชคเป็นความสุข และถ้าเรารู้ว่าเนี่ยพีวิตของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปแล้วนะมันไม่ใช่แค่ความปกติธรรมดาของชีวิตคือความไม่เจ็บไม่ป่วยเท่านั้นนะอาการที่ได้อยู่กับคนรักได้เห็นวิวชิวทัดที่สวยงามในยามเช้าได้เห็นดอกไม้นะได้เห็นท้องฟ้าโอแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะ ความสูงมันอยู่ข้างหน้าเราแต่เราไม่ค่อยเห็นจนกว่าเราจะตระหนักว่าเรามีเวลาหรือในโลกนี้ไม่นานมีนักดนตรีคนหนึ่งนะวิลกุสจอนสันนี่แกเป็นนักดนตรีที่ดังนะเพราะว่าเป็นคนบุกเบิกพวกพังเนี่ยตอนที่หมอวินิจฉัยว่าแกเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยโรคเดียวกับสตีฟจอมนี่ แกบ่าพอแกเอามาจากโรงพยาบาลนะมันมีความสุขสดชื่นมีชีวิตชีวามากเลยไม่ว่าจะดอกไม้สายลมเมฆท้องฟ้านี่มันมีความหมายใหม่กับเขามันสวยงามมากใ้การเดินบนท้องถน น, นมันกลายเป็นสิ่งวิเศษทั้งที่แต่ก่อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่วิเศษไปแล้ว เพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะได้เจอภาพนี้อีกนานเท่าไหร่ของธรรมดานี่มันกลายเป็นของวิเศษที่ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยคนเราพอถ้าไม่ไม่ใกล้ตายนี่จะไม่รู้นะว่าไอสิ่งที่เราเห็นเป็นธรรมดาเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความหมายมันมีความสวยงาม แต่พอรู้ว่าเราจะอยู่ได้ไม่นานเนี่ยโอยพวกนี้สิ่งปกติธรรมดาทั้งที่มีอยู่กับตัวเราแล้วที่เราประสบพบเห็นนี่มันจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถจะให้ความสุขกับเราได้ไ ง, ง่ายๆถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเรายังไม่ทันเจ็บไม่ทันป่วยนะอย่างน้อยก็รู้จักขอบคุณรู้สั่งชื่นชมสิ่งเหล่านี้ไว้เนะพราะเป็นความสุขที่หาได้ง่ายไม่ต้องรอความสุขวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอนะการกินดื่มเทีเ่ยวเล่นก็ได้ แลประเด็นที่สามี่มันหมอเกียไทยกันเน้นนะหรือว่าแกนํามาแลกเปลี่ยนเป็นบทเรียนชีวิตเนี้ก็คือว่าอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องจิ๊บจอยเรื่องที่ชวนงุดหยิดแต่ว่านเดี๋ยตือนว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์กับงานการามีความเบื่อหนกับองค์กร หรือว่ากังวลกับพุงย้อยๆของตัวเวลาไปดัดผมเห็นผมจิงหน่อยก็ไม่พอใจนะไม่พอใจกับการที่มีสิวหรือไม่พอใจกับการที่ก้ามเนื้อซิกแพกนี่มันไม่ชัดเจนเพบอกว่าเนี่ยปล่อยไปเถอะนะอย่าไปช่างหัวมันบ้างนะแกว่าก่อนหน้านี้แกเคยเป็นแบบนี้แหละ แต่ว่าพอรู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้ไม่นานไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจิ๊บจอยไปเลยแกบอกว่าในเชื่อผมเถอะนะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยคุณจะไม่คิดถึงมันเลยถ้าคุณใกล้ตายถ้าใกล้ตายเมื่ไอไหร่เรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจอยที่เราไม่สนใจเลยแต่เราไม่ต้องรอให้เป็นคนใกล้ตายแล้วก่อนนะถึงจะเห็นว่าไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ควรเสียเวลาเนะพราะจริงเนี่ย แม้เราจะไม่ยังไม่ใกล้าตายยังไม่เจ็บป่วยเนี่ยแต่ถ้าเราลองนึกสมองว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายอันนี้ทางพารว่มมรณสติเจริญมรณะสติเราก็จะนะว่าเวลาของเราในโลกนี้มันเหลือน้อยไปทุกทีแล้วเวลาของเราเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกชั่วโมงไม่วันหนุ่มสาวหรือแก่ในเมื่อเวลาเราเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยจะเอาเวลาที่มีอยู่ หรือเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยใช้กับอะไรนะหมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องจิบจอยเรื่องงุนงินะซึ่งหลายคนเปนงินนะนะเพื่อนบ้านส่งเปิดเพลงดังก็ไปทะเลาะบบาแวงกับเขาแฟนลืมวันเกิดนะก็หัวเสียหรือว่า โทรศัพท์มันมันไม่ใหม่พอมันไม่รุ่นใหม่พอก็รู้สึกแย่หรือไปทะเลาะเบอะแว้งเพียงเพราะว่าเพื่อนร่วมงานมีความเห็นไม่ตรงกับเราเราเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้เยอะนะโดยที่ไม่ตระหนักว่าเวลาของเราในโลกนี้มันเหลือน้อยไปทุกทีทุกที ถ้าตอนนั้นว่าเวลาเรหลือน้อยนะแม้จะยังไม่ป่วยเนี่ยเราจะไม่หมัวเสียเวลากับเรื่องพวกนี้หรือไม่หมัวเสียเวลากับความทุกข์เรื่องที่น่าหงุดหงิดอีกอันหนึ่งที่เขาที่มอญไทยบอกคือว่าเนี่ยอย่าไปเสียอย่าใช้เวลาอย่าเสียเวลาของเราเนี่ยเพื่อความฟันของคนอื่น นะอันนี้บอกคนหนุ่มสาวโดวยตรงเลยเนะี่ยอย่าใช้เวลาหรือว่าทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อตอบสนองความฝันของคนอื่นอันนี้เผืไปแล้วเมื่อวานนะว่าเนี่ยหลายคนคนหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์มากนะทุกข์เพราะว่าทุกข์กับความคาดหวังของสังคมและคนรอบข้างคนรอบข้างเนี่ยเป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เขาคาดหวังหรือเขาอยากให้เรา สนองความฝันของเขาเขาทำไม่ได้เ้าก็อยากให้ลูกให้หลานสนองความฝันของเขาแล้วถ้าหากเราเนี่ยใช้ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อสนองความฝันของคนอื่นนี่ไอ้ชีวิตของเราเองเนี่ยไอ้การมีชีวิตของเราเองมันก็จะไม่มีวันได้เกิดขึ้นเลยแล้วเสร็จแล้วก็ทุกข์ระทม นะกับการที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันอันนี้ก็เป็นกันเยอะนะในหมู่คนหนุ่มสาวเนี่ยใช้ชีวิตเพื่อสนองความคาดหวังของคนอื่นจนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความมุ่งหวังอะไรกับชีวิตหรือว่าอยากจะมีชีวิตแบบไหนอันนที่คนเสียเวลามากนะก็คือเสียเวลากับการทำสิ่งที่ไม่ชอบ เราต้องอดทนงานการก็น่าเบือ่อแต่ว่าที่ทำเพราะว่ามีเงินมีเงินเดือนที่ดีแล้วคิดว่าเราอดทนอีกนิดอดทนอีกหน่อยแล้ววันน่าจะดีขึ้นแล้ก็เตือนว่าเนี่ยคุณไม่รู้หรอกนะว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่านะคุณอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้ก็คล้ายๆกับภาษิต ท, ที่เบะนะที่บอกว่าเนี่ย ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปเชื่อว่ามีพรุ่งนี้แล้วจึงมีชาติหน้านะพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็ควรจะใช้ชีวิตเนี่ยให้กับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราหรือสิ่งที่มีค่ารวมทั้งสิ่งที่เราชอบด้วย แต่ว่าสิ่งที่เราชอบก็ต้องพิจารณานะว่ามันมีคุณค่าหรือเปล่านะเพราะว่าหลายคนนี่ยก็ใช้เวลาหมดไปกับการเที่ยวการกินดื่มเที่ยวเล่นก็ชอบเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่มีเวลากับสิ่งอื่นที่มีคุณค่าไม่มีเวลาให้กับคนรักไม่มีเวลากับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งมีเวลาให้กับตัวเองได้ซ้ําการที่คนเราคิดถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราเนี่ย แม้ยังไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมันช่วยทาให้เราตระหนักนะว่าในเมื่อเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีเนี่ยควรใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีคุณค่าไม่ใช่เพียงแค่สนองความอยากของคนอื่นหรือแม้กรทั่งสนองความอยากของกินเล็ดนะในใจเราอันนี้ท่านเตือนนะให้รู้จักใช้ชีวิต อ, อย่างไม่ประมาทนะความไม่ประมาทในพุทธศาสนาข้อ น, นี้แหละ ถ้าว่าเราใช้ชีวิต อ, อย่างมีคุณค่าเนี่ยถึงแม้อะไรต้องตายจากโลงนีไปนะมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายที่จริงการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือใช้เวลาแต่ละวันเพื่อการเตรียมตัวรับมือความตายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะไม่งั้นเนี่ย ถ้าความตายมาถึงจะทุกทุกทรมานมากเรือ่องน้อยเนี่ยก็ใช้เวลาแตา่ว้อนเพื่อการเตรียมตัวรับมือความเจ็บความป่วยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะก่อนที่เราจะตายเรา ต, าราต้องเจ็บป่วยส่วนใหญ่นะไม่ได้ตายฉับพลันและหลายคนเนี่ยแม้ยังไม่ตา ย, ยแต่ทุกทรมานมากเพราะความเจ็บความปวดไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาทางกายหรือความทุกข์ทางใจ เพราะอะไรเพราะว่าช่วงเวลาที่ปกติสุขเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะเตรียมตัวเลยฉะนั้นที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเรา 90% เลยใถ้าดีก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวรับมือกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงชีวิตเรียนรู้จากความสูญเสียพลดพลาพเงินหายของหายก็ถือมาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกใจให เผชิญกับสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือความผันผวน ข, ของชีวิตได้เจอคำตอบว่าดาทอก็ถือว่ามาเป็นเครื่องฝึกใจให้มีความมั่นคงหนักแน่นถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยก็จะไม่โวยวายตีโพยตีพายถึงเวลาตายก็สามารถจ ะ, ะเผชิญความตายได้อย่างสงบนี่คือบทเรียนนะที่เราสามารถที่จะคุ้นคิดหรือไค้้ควรได้นะจากการที่เราลึกถึงความตาย หรือถ้าให้ดีก็เรียนรู้จากประสบการณ์ช่วงคนที่ใกล้ตายเนี่ยอย่างหมอกริฐไทยเนี่ยข้อเขียนของหมอกริฐไทยตลอดปีที่ผ่านมานี่มันก็สามารถเตือนใจให้เราได้ดีนะพ่อเป็นการเอาประสบการณ์ของคนจริงๆนะของคนที่ประสบความเจ็บป่วยจริงๆคนที่ใกล้ตายจริงๆเนี่ยมาบอกเล่าอ่าแล้วก็สัวเป็นเรื่องใกล้ตัวนะไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่เป็นเรื่องคิดเอาเอง อันนี้ก็เป็นแง่คิดนะของคนซึ่งเมื่อรู้ว่าจะตายเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมปล่อยให้การตายของตนมันไร้ค่านะแต่ว่าเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์เที่ยงอยู่